พระเตรานุเทระเป็นศาธ ม, มิตทุ ก, กรแล้วเขาขอจักรจเริมมาเจริญในถ้ำเนาะขอเจริญถ้ำมันนี่มันถ้ำเจริญเราไปอ๋เอาละเอาลงมือลงซะขอเจริญในถ้ำมาจักรเจริญวาสนาเจริญเนาะในถ้ำไงได คงสิจะเล่นกันเต็มทีพระแห่งหละเนาะที่จริงแล้วก็บลบหนาลบหลังว่าที่บอกขื่นธรรมารลบหนาลบหลังลบลงคอส ง, งัดบังนี่ บ, งบังเพราะใครขื่นมารวมเพราะว่าอยากให้พระครูบาอาจารย์เป็นได้แสดงออย่างเต็มที่เพราะว่าตามปกติกับบอใครอยากเบา อยากจาเอียงเท่าไดสาเหตุที่พ่อยากว่าอยากจากราะว่าว่าวขึ้นมาแล้วโดยเว่าคําำว่าวบางคํากับว่าวําใดก็บ่กใครถือหูคน้นแรนกายหูคน้นปุดปุดปุดปุดไปเมื่ก็เลยบ่กใครอยากเว่ากัเลยให้ผูค้นมีสมบัติสมนวนภาษาภาษาเว่ภ า, า, าภาษาจาอ่ามีความ อารมณ์คมคายในการพูดการจาหาิยะห้นยมสู่กันฟังนี่กันฟังแต่ว่ากะหลีกเลี่ยงบ่ดยเนาะเปิ้นให้ขึ้นก็ขึ้นเพิ่นให้ล่งกะล่งเพิ้นให้ยูก็ยูเพิ้นให้ไปก็ไปมันกะเป็นพ่อน้องนั่นเพราะฉะนั้นที่วัตตาสีบุรพาบานนองแสงประเข้าก็ะได้จัดงานร่วมกันปฏิบัติกันมาก ไลยปีขึ้นกันตั้งแต่หลวงพ่อเสยยะทิพทังเพิ่มาสั่งวัดตานนิรปานสมัยนั้นปี 2, ท่าย 2,126 เจคือความเป็นมากกันสมัยนั้นอาจารย์ท่องกับยุวัตโมปีนั้นอาจารย์ท่องนีนายบายบอกว่าพระลงตานี่ออกจากวัดปัดมาท่านวะหลวงพ่อเสยหลวงพ่อนัอ่นก็เลยพิศหวัง ก็เลยบบ่อยุ่ยกูไปสร้างวัดป้ากูได้เจอมาท่านว่าก็เลยเกิดกำเนิดเกิดวัดปาขึ้นมาตั้งต่ขุนล่ะหลวงพ่อทองปีต่อมาบอกว่าเม่ชี้ออกจากวัดหมอกมืดมา่นว่าเม่ชีเถ่าเถ่ามา่นว่าจงไว้แต่ชี้สาวมาท่านว่าจะไม่นั่นเนอจะไม่นั้นเม่ชี้ออกก็โอ้ยไม่ออกก็ไม่ชี้ก็พิดหวังยางไงแล้วน่าจะใบหลวงพอทองเนี่ยจะไม่นั่นเมื่ชี้ออกจากวัดไม่ชี้เ่าออกจากวัดมืดมาท่าน่ เอติที่สาวๆคนบางเหล่าก็ไม่ใช่ผู้สาวอย่าคน้นเนาะเมื่อธบุถะก็เลยจำเป็นก็ต้องออกมดเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่น่ะอนุโมทนาในการเป็นยูของพวกเขานักปฏิบัติกอพิธีกรปัญญาต่างตามปกติมื่อนี้เป็นวันสุดท้ายขึ้นพุตสุดท้ายก็ต้องมีการประเมินผลไปวัดใดวัดใดกับประเมินถูกวัดถูกวัด ผลประเมินหนึ่งที่เต็มกระเข่งเต็มกระตาะเต็มกระเป๋งกันทุกคนทุกคนเหรอเนาะมาวัดหนีเพื่นก็เลยบอกว่าบอให้ประเมินว่าเสนอประเมินไปประเมินมั่นผู้ใดมีความหูชนิดใดเข้าใจแบบใดนิยมใดก็ประเมินเอาเองอันนี้ก็เป็นผลดีหรือเป็นสิ่งที่ดีขึ้นกันอ่าเป็นการทดสอบความหูของเจ้าของแต่ว่าปกติวิสัยของคน ก็รู man, kh kh mm ้สึกก็มีความเห็นเข้าข่างตนเองอย่างบอกแม้แต่ตดแม้แต่ตดตึงออกมาในเสื้อผู้ใดว่าเหม็นตดผู้ใดหืมว่าท่านน่ะก็เป็นสมัยเป็นเด็กหน่อยตดมายอมหลับสามสี่คนกับจำโมมีมูมกมูม่นสักกอข้นใส่นานกตดว่า่าน่มันลงจบบังใดกผู้นั้นตดว่าท่านเนี่าจักถือจักถืงกินส้มพข้ยองกันลดว่า่นอันนั้นพันกะสมัยเป็นเด็กหน่อยเนาะ เพราะฉะนั้นวันปกติวิสัยของคนกันมีความคิดเข่าขางเจ้าของอยู่ตลอดอติดความคิดเข่าขังเจ้าของอยู่ตลอดมันก็เลยเกิดปัญหาเกิดขึ้นมาในขึ้นมาทุกคนทุกสังคมพอ ย, ยังบดเอะทำลายทิฏฐิยังบดทานและ ท, ทำลายทิฏฐิมานะที่มันเกิดขึ้นภายในจิตใจหรือว่าอนุสัยที่มันนอนเนื่องภายในจิตใจของเขาเหมือนกันนักปฏิบัติทื่กันอนักปฏิบัติเท่าขึ้นกัน เพรเหตุไปช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งมันจึเกิดความกล้าความกล้ากาแสดงออกการกินการแข็งอ่าประสบการณ์ต่างๆนี้ต่างมีอย่างอื่นต่างๆรู้สึกมันเข้าใจมีเหตุมีผลทำมาเหตุว่าผลหนึ่งรู้สึกมันกลา้าพอเจ้าของคิดเองเจ้าของตอบเองมันก็เลยเป็นเหตุเป็นผลผนทางจ้องต้องแก้ปัญหาปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาในขึ้นมาก็าไปวัดนอนวัดสองขึ้นญาติย่อมขยับผ้าลูกมาวัด หลูกสองคนสามคนใครจะมาวัดมาว่ากามีเรื่องคิดอยู่เรื่องหนึง่งมีเรื่องคิดอี่เรื่องหนึ่งว่าคนสองคนเกิดทุกปัญหาเกิดเกิดขึ้นมาว่าฉีตะเวนย้เมื่อเส่ากับฉีตะเวนนำนํากลางวันช่วงใดมันอยู่ไกลโลกเข้ามากปนกัน ไม่บอกว่ายุช่วงไหนอยู่ไก่หลวเขาวันกันคนหนึ่งบอกว่ายนี่มือเศร้าไกล่หลกเขาที่สุดกันว่าอีกคนหนึ่งบอกว่าอยู่เนีมือเว้นกันนะไกล่หลกเขาที่สุดเหตุผลไอ้คนที่บอกว่าอยู่เนีมือเศร้าน่ะบอกว่าเห็นบอย่ำสิทธเว้นมันขึ้นยนี่ยมือเศร้าดวงเงยมาเลอะทอกระด่งกันว่าอ่าดวงเงยมาเลอะทอกระดองกันว่าแต่พอกลางวันมันถึงเว้นน้อยทอ ผู้ถังนี่เพืรรรร่อนแสดงว่ามันอยู่ไก่โลกข้ามันจังมันจังเงยหน่อยเพื่อนวะมันยุไกล่โลข้าย้มมะเสามันจังืงยไหเพื่อนว่าเอออันนี้ก็มีเหตุผลนี้เนี่ยอีกคนหนึ่งว่าตอนเทียงมีเหตุอตอนเทียงวาอยู่ไก่โลกก็บอกว่าคันว่ายย้ำมอเสายู่ไก่โลกย้ำมือเสาแดดเทียงบ่ห่อนเพือนวะแดดเทียังบ่ห่อนเพราะฉะนั้นว่าแดดเทียงย้ำเทียงมันห่อนเพราะฉะนั้นว่ะตะเวนไก่โลกข้ามันจัง ผ่อนอันนี้ก็เหตุผลภัยเหตุผลมั่นแม่นบอกขันพังบางแล้วคนสองคนทะเลาะกันก็บอกว่ า, าเนี่มือเส้าไก่โลกเนี่มือเทียงไก่โลกต่างคนกับต่างมีเหตุมีผลบางคนคนบางคนบางช่วงมคณะก็เลยว่าเอาอัตตาภาวะมาเป็นตัวกำหนดว่าแล้วภาวะวิสัยแม่นเป็นตัวกำหนดมันก็เลย เป็นตัวเป็นตนเกิดขึ้นมาทะเลาะเบาะแหว่งกันไปนี่กันไปเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นว่าพวกเข้าที่บอกคุณ่าอภินบอกว่าพวกเขามาเห็บเดินจงกรมมาสาั่งจงเอ่อมาเดินจงกรมมาสางงาัางจังววะยืนหนีห้าได้ยังเพาะั้นว่าคำว่าได้นี่ยรู้สึกว่าไ ม, ม่เป็นคำที่ปูกฝังนิสัยของคนไทย อ, ย, ย, ย, อย่างเดียเนาะ่ำว่าได้คำเห็บยังบ่ได้ก็บ่เอาหัวมันแล้วเพาะฉะนั้นว่าคำว่าบ่ได้เห็บยังบ่ได้ก็เอ็ก์เชตเห็ยังทําเห็ดบยังปฏิบัติธรรมมันก็ต้องได้ด้วย ความหายใจของคนเป็นลักษณะนั้นแต่จริงๆแล้วการปฏิบัติธรรมขึ้กันโบมียังบะได้ยังแต่ถ้าความสื่อๆคันว่าบะได้ก็บ่ะได้สื่อๆกับบได้ยังก็ได้อีกแล้วบ้านนี่มันก็แปลกอยู่กันอยากแต่บะได้กินหิวแต่บะได้อิ่มยิ่งอยากก็ยิ่งหิวหมองพนนี้มีจิ้มจิ้มจนบ่อขึ้นบ่อยากภาษาบ้านเขาโอ้จินบ่อึ้บ่อยากประทันใา แ่ว่ามองอึดมองอยากปาเนียเพราะฉะนั้นว่านักปฏิบัติธรรมของเขานั่นมีความสำคัญอยู่พอสมควรการปฏิบัติการว่างกายว่างใจของเขาช่วงระยะเวลาเจ็ดมือแกกับโบแมนเจ็ดมือเนาะกัตั้งแต่ออกพรรษามานิกับจ่าจากงานแล้วมาหนากับลดขนทรง อ่าไปงานหนัดมืออื่นนี่กระสิคนทรงไป็กานพุูนใช้ผูกพุ่มคณะมีปรัชนาจารย์อนักปฏิบัติธรรมจะได้ไปพุูนไปปฏิบัติธรรมทังคุณขั้นไปหมองไม่เขากะให้เป็นภูเก๋าอยูกเป็นภูเก๋าภูไม้มันกะขบคุ้มการขบคุมคอยเขาขบคุ้มตัดเองลองเบนกฎกติกาบางครั้งมาคณะก็เป็นกรอบเป็นกรอบให้งความ ในว่าให้กอบดความอัตตาคือกันขันเท่าบริเฮตขันเท่าบริถมตามกฎตามปฏิกากลรู้สึกว่าเบาใคยสะดวกเบาใครสบายแต่ขณะอีกขณะนั้นในยุได้ยุในกติกาในกฎในกติกากลรู้สึกว่าค่องแต่ว่าการปฏิบัติร้ำแบบหลวงพ่อเทียนหรือตานปฏิบัติถรมแบบพระพุทธเจ้ามันอยู่นอกกฎนอกกติกา คันเซลกติกาเอาแต่รูปแบบวิธีการกะมันก็ต่างจากที่อื่นละ่ะต่างจากวิธีการแบบอื่ น, นแต่มันอาจจะมีความแตกต่างในด้านความรู้สึกแต่ข้าเห็ดด้วยเกิดความชำนาญเกิดความ ช, นชนานิชำนาญชานาญนี่บางเป็นชำนาญในด้านการสั่งจังหวะสื่อๆแต่ชำนาญในการพลดปล่อยชีวิตของเขานํา ลดปล่อยความพันธนาการภายในจิตใจชีวิตจิตใจของเขาหนึ่งเขาเข้าใจเขามีความรู้มีความเห็นมั่ยว่าความฝ่าใจแบบใดเนี่ยไ้ที่เขา ป, ปฏิบัติมากพราปฏิบัติยิ่งมีความหนักแน่นมีมีความชับไวให้สติสมัมภชย์ยาของเขาเร็ว่าชับไวพอสมควรอารมณ์เอียงต่างๆเกิดขึ้นมาในขึ้นมาเขาสา ม, มารถปกป้องปัดป้องปกป้อ ง, ปป อ, งออกไปเดียวไปได้ปัดออกไปได้ปัดออกไปได้ อันนั้นเป็นจริงที่สำคัญแต่คณะใดเข้าสั่งจังหวะอยู่เดินชงกรมอยู่แต่ปล่อยความชิดล่องลอยปายเหมือนกับเรียกว่าผีบ่มีสาลสมพันธ์บ่มีวัดไปตะลอนตะลอ น, ลอนไปนี่ไปมันกับบ่มีหมองอยู่มีมองอาศัยคิดใจของเาขาค็เือกันาคิตใจเขาบ่มีหมองอยู่มองอาศัยมันก่าเรียกว่าสัตว์เซผนีจอนเป็นคนจอนจัด เป็นคนพัดบ้านพัดเมืองเป็นคนพัดพิน บ, บ่บมีหม่องรับบ่มีหม่องนอนมีหม่องอยู่พักท่าอาศัยเพราะฉะนั้นที่พวกเขามาเฮ็ดอยู่ น, นี่เพื่อต้องการที่จะไข่มีที่พึ่งพักท่าอาศัยท่านันชีวิตจิตใจของเขาบ้านเรือนของคนแต่ละท่านแต่ละคนที่มนนานั่งอยู่นี่บางคนก็อาจจะมีะบ้านเฮือนสางมัดเป็นหลานสองหลานสามหลานสิบหลานยี่สิบหลา น, ลานก็มีเป็นแสนเป็นหมืน่นแตมีอันนั้นเรียกว่าที่พักทั้งด้านร่างกาย เดวาวาที่พักท่านัจิตใจเฮาต้องหาเฮาต้องค้นกว่าค้นกว่าหาเฮ็ดยังไงยังสิพ่อเฮ็ดจะเลยยังสิมีจริงๆแล้วชีวิตจิตใจของเขานั้นรู้สึกมันกะมีความอาทรกับตัวของเขาอยู่ค้นกันสังเกตเบงเมื่อใดช่วงใดเป็นยังช่วงใดที่เขานื่อยเขาพักเขาพรเขาบพียงเอาพักผรอนเอเพียงข้อ่ามันกะพยายามสิดึงร่างกายของเขาหุพักผ่อนแก้แต่ร่างกายให้มีการง่วงเหงาเฮานอนเกิดขึ้นมาเนี่ขึ้นมา เราต้องการพักผรแต่ว่าบวมแล้วพักผรอนบวมแล้วเลส ด, ดิ้งเนีเรียกว่าร่างกายของเขาพักผรบนเพียงเพอมันก็ต้องมีการพักผรให้เพียงพอมันอุทธร์มันบอกมันกล่าวมันตักเตือนแม้แต่ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเขากับเขามันกระเพยาย่ามติดปัดปกป้องปัดออกไปปกป้องตัวเขานี่เขาแต่ว่าความเคยชินของชีวิตของเขานี่ของเขานั้นรู้สึกมันกับยุ้ด้วยการปรุงแต่งของสังขารนี่ตลอด มนุษย์เท่าอยู่ได้อยู่ในปัจจุบันนี้อยู่ในความปรุงการปรุงแต่งของสังขารเห็นอย่างเห็นอย่ ง, ยงรู้สึกว่าเห็นซื่อๆบ่ไ ด, ด้ต้องคิดต้องปรุงต้องแตง่งอต้องสั่งสั่งขึ้นมาเนี่ขึ้นมาคิดว่าสิเป็นลักษบบนั้นคิดว่าสิเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นว่าความชิดของคนนั้นเขนาหู้จกขนไกของชีวิตของเขาแล้วรู้สึกว่าโอ้เหมือนกับพระพุทธเจ้าคือกัน ทำไมเป็นเจ้าชาติชิตาธานยังเป็นผู้ที่ค้นแสวงหาหมอกกระท่ำอยู่นั่นก็คคืบยู่ือกันคืว่าไปเลี่ยนกับอร า, าราะระดาบดเลียนได้แล้วดายชั้นสมมาบัตสาสมมาบัตเจ็ดจบแล้วก็ไปเลียนน้ำอาราลาดาบดเอทุกาดาบได้ชั้นสมมาบัตแปดแทบว่าออกไปแล้วกันยังบอสบอสามารถธีคนถูกไปใดนี่ไปใดที่จริงแล้วเรื่องคำมนันบ่เมนเรื่องของผู้ได้เจ้าคนขว้าหามันคนวเขาคนขว้ามาโดนมา น, านั่น แต่ยุคสมัยปุริเจ้าพระท่านเกิดเจ้าชาสิชิตพระท่นเกิดเขาคนกวายายุ่กันหาทั้งความหลุดพ้นหาสแวาสแวงหาพันธุ์พานเขากระมี่เขาก็หาสแสวงหาชื่อกันก่อนลึกพว ก, กฤาษีชีภัยมันก่าเขาก็สแสวงหาอยู่คือกัน สวรรค์บอกให้ล่องกันดอกคือเทิดเพราะท่า น, นพอะสิบประทีที่เสิล่งไม่แท้ท่นน <c oughs> านเนาะเนาะจักขอดบาง ไ, บไหนเด้อบังไหนเด้อลงสูตรระบัด <c oughs> เฮ้ยเขามาเนาะเริ่มต้นไหมเพราะฉะนั้นว่าการปฏิบัติของเท่าโบแมนเฉพาะในเมืองไทยเท่ากับมี ในตังประเทศเขาก็มีเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดอยี่สิบแปดที่กลับไปวัดก็พอดีไปหอดวัดกลางคืนจันดาก็โโรมมหาโทรมาบอกโทรมาคุยนั่งคุยไปคุยมากก็บอกว่าขอพาเนาะวัฒนาขอพาไปอยู่เป็นไปกประกาศเผยแพร่ทาแน่ซอยแน่วัฒนาเออยุ่นก็คืออยู่สองคนแล้ววัฒนาห่อยเดี๋ยนี้อยู่คนเดียววันา แล้วก็ถามว่าผู้นหนึ่งไปใส่หรือพู้ น, นิมนต์ถือ น, นิมนต์ไปทังอื่นอยู่รักอื่นพูนมาทันมาก็เลยบอกว่าพระที่อยากเป็นกระ บ, บอกแล้บูตัวมารกระบอกพระเฮากระ บ, บอกกันได้ก็ดีพ่อจันจนิเพนอ่าจาันนิเพนกระบอกให้ทรงประวัดให้ไปหาจันดาให้จันดาทั้งสมัชชาสง์ในอเมริกาเขากระตีเรียกให้ไปอบรมธรรมทูตธรรมทูตในาการเผยแผ่ทั้งพุ่น พอเดนีจันดาบอกว่าวันอยู่คนเดียววะทันวะยันมาหามบ่ท้องถือคณิมต์ไปยูรัดรัดอีกรัดนึงก็เลยอยู่คนเดียวว่าเววะทันวะเงียบเงาเหลือเกินวะทันวะก็เลยต้องการมู่หรือว่าผู้ใดอยากไปกับทดสอบทดลองแล้วมันก็ดีแนเนอนไม่ออกอยากไปบอไปอเมริกาธรรมะบอกพเทียนรู้สึกว่าเพื่อคู่ไกลแล้วเ พวกเขาจะเฮ็ดละเลาะและข้อได้กินเข่ากินน้พนมือือนึงมือนึ่งีลหมองละเอมือเจ็มือนี่ยิงแล้วยุคภาวะเศรษฐกิจ่นี่ะถือโอกาสย่ช่วยโอกาสปเนีนได้โชโอกาสว่าพนอาศัยนักปฏิอาศัยการปฏิบัติธรรมนายกใหม่ยกมือว่าฟัแยมเจ็มือก็ได้กินเขาเราเข้าสั่น่ะมันกบ้ากรานี่ยมันบอให้มันกลุ้มคาเพราะฉะนั้นว่าการการกระทําของพวกเขาก็ต้องพยายามต้องเบิให้มันเข้าใจเรื่องอารมณ์ของเขาจริง เรียงหลุแบบการปฏิบัติเรื่องความเข้าใจที่จริงแล้วเรื่องอารมณ์เรื่องหลุดเรื่องน้ำหลุดทำน้ำทำหลูดโกรกกำหลุดทุกครั้งอันนี้ยังอนัตตารูสมมติรูศาสนารูพุทธศาสนาอันนี้มันเป็นอารมณ์เป็นเบื้องฐานพื้นฐานของอารมณ์ของอารมณ์การปฏิบัติเพื่อว่าให้เฮาเฮาสิบปไดเขาเฮาสิบปะไดไปหลงไหลกับอารมณ์สิ่งต่างๆสิ่งสมมติที่เขาสมมุติเกิดขึ้นมาในขึ้นมา ัารเข้าเข้าใจสิ่งเหล่านี้ไปได้นี่ไปได้รู้สึกว่าจิตพานอารมณ์สิ่งเรานี้ไปกานเข้ายังขลองแวะยังมีการยึดาการถือแม้แต่ความดียิ่งยุค ป, ปัจจุบันนี่รู้สึกว่าเาเรียก ว, วา่าทุกข์เพราะความดีแข่งขันกันทํคาคุณงานค้ามดีแต่ว่ากระทุกกระทุกค้ามดีนั่นกัดเพราะว่าทุกข์เพราะความดีนั่นรู้สึกว่าทุกข์น่าหนักเนี่ยแบกนี่รู้สึกว่าคืออาตมาสมัยนั้นแบกแบกลงกว่าเทียน าแบกลงปเทศอยู่นําเพลนนี่น้ำเพลนเนาะอยู่กุฏิน้ำเพลนนี่ซื้อว่าเฮ็ดอย่างทอย่างเลยบก้าแต่ตองของเพนเหรแบกกลัวแม้แต่คนอื่นจะมาแต่ต้องสิ่งของต่างๆนี่ต่างๆรลยซึกว่ากูยอย่ามาเห็ดเท่เดี๋ยวคนที่หาว่าย่านเพนว่าย่านเพลนว่าขันเฮ็ดไปแล้วผิดพลาดไปแล้วย่านเพลนว่าตามเพลนว่าเพลนกาวนี่เฮ้านี่เฮ้าก็เลยแบกไปตลอดแต่พ่อวางเพลนลงไปได้นี่ยไปได้แล้วโอ้ไม่ออกเลยซืกว่าเบาดีดี วางดีดีโปง่งดีดีโปร่งสาว่างจิตใจทำไมตะกอ น, นันรู้สึกแบกพนันรู้สึกว่าโอ้อันนี้ก็พนันแบกแบกความตะกอนตะกี้ตะกอนมหูจักะอะแม้แต่ลูกแบบวิธีการให้กันบางเถ้อเฮาอาจจะพูดจะคุยอ่าหรือสนทนาทํากันในกันกันคนอื่นมาฟังเขาเกิดโมโหโทโ ส, สเกิดขินมาในขินมาเพราะความดีก็ทําให้เฮาทุกข์ขึ้นกัน เพราะฉะนั้นว่ามีนักปราชญ์ตันว่าทั้งชั่วทั้งดีกระรวนอปรีพอ่พอๆ ก, กันว่าตันว่าปฏิบัติธรรมของเขาเนี่บางคนปฏิบัติเพื่อต้องการที่จะให้คนยงย่ อ, องย่นย่อสรรเสริญไปนี่ไปบ่ขันเขายังยังมีความมีอารมณ์มีความคิดมีความนึกคิดอยู่อยู่ลักษณะ น, นั้นก็แสดงว่ายงังไก่ประธานไก่บันใดยังไก่ไปประธานมุมยังวนๆเลีย น, น, นอยู่กับจริงละทีที่ยงยองปัอนมีความยงย่อสรรเสริญกันไปนี่กันไปขันเขาอยู่ใด อยู os, erm ian, quit, ่เหนือทิงแล้นไปได้นีไปได้ทิ้ดย่องกพรว่าตามที่ว่ากระตามกรตามอ่าได้อัโท้ออัดทั้งบริยังทั้งถอดกับผู้ใดนี่ผู้ใดแต่ว่าเขามีความเสื่อมหมันแปลว่ามีความเสื่อมหมันในการกระทํามีความเสื่อมหมันในตนตัวของเขาแต่บอยมันมีแบบหายมันลดละทิถีมันะเกิดลงไปนี้ลงไปบอยมันทิถีมันะเสื่อมหมัน่างนี้ยงย่องอันนี้ก็นัตั้งกันเอาแบบทิถิมันละเึินมาคมกันว่ากันไปนี่กันไปมันกะยังบัตนาใส่ยังใส่บัตนได้ เพราะเราเียกว่าลดละล่างเลิกละออกไปฮันเป็นเมดให้ม้นเหลือแต่ตัวชีวิตจิตใจของเขาคอลอนอยู่เนี่ยบ่ให้ตัวยังไม่แอบแฝงใดนี่ได้เหมือนกับพระพุทธเจ้าคือกันตัสรู้เมื่อ น, นั้นเพ่เฮาเสียเอาอย่างนาะเป็นที่ยึดเป็นที่บังเอิญเป็นที่ยึดถือเป็นที่ยึดที่ถือก็ต้องเสาะแสวงหานอกจากธรรมธรรมคือครรมสังสอนธรรมคือธรรมะธรรมคือธรรมาชาติในชีวิตจิตใจของคนเฮา หลายสิ่งหลายอย่างเพราะว่าทเนี่ยคือพระธรรมเป็นเอ่อพระพุทธเจ้าหายถ้ารพัทธรรมเที่ยวสวดกันนะข้าลบจลบังใดก็ลบพัดธรรมเข็บจังใดจังสิงหูจากพัดธรรมพัธรรมเมือว่าออบอกว่าพระพุทธบริเวนทองคำพัดธรรมบริเวณใบลานเหมนน่ะลูกชาวบ้านบรนพระสงฆ์สงสาวกของพระผู้มีพระเจ้านั้นหมู่ใด มูไถ่ประพฤติปฏ aro, ิบ mm ัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติต่อจากทุกปฏิบัติเพื่อสมควรสมควรที่ออกจากทุกแล้วพวกเขาปฏิบัติดีปฏิบัติตรงจาพวกเขาพวกพ่อพกแม่พวกเขาม่านางอยี่นี่ที่อพระสัมมาเนตุนภูหลวงพ่อครูบาอาจารย์ที่มานั่งท่าหายหยาดห้ยยมยกใหม่ยกมือทำคว้ามูอสึกคุมเอญยี่นี่เมื่อจิตใจของเขาวาดไปวกแวกไปทั้งอื่นหรือไปเขากลับมาอยู่ อยู่กับการเคลื่อนกันไหวยกบมือไปเอามือมายกบมือเข่าเอามือออกมีความหูดสึกคกูเมื่อเมื่อมันเพลิไปแล้วเพลิไปบ้างสร้างมันกลับมาใหม่เขาเรียกว่าสร้างความเคยชินสร้างความชํานาญให้มันเกิดขึ้นภายในจิตใจภายในชีวิตจิตใจของเขาพอว่าจิตใจของเขาเนี่ยมันชํานาญชํานาญในด้านของคุดคุดไปนี่ไปมือหนึ่งมือหนึ่งจะว่าคุดจะว่าจะเถื่อเกิดไว้าจะเถื่อนี่จะเถื่อขาคนจะว่าจะเทื่อคุดไปนี่ไปไปยึดตลอด โอกาสที่หันกลับขมาหาตนเองมันมีน้อยหน่อยพระพุทธเจ้าจึงถืออุทานก่อนที่บรรดตรัสรู้ว่าโอ้ธรรมะที่เราตรัสรู้นี่เป็นของลึกซึ้งมากอยากแก้บุกคนที่มีทุรีในตาที่จะเห็นได้เพราะอย่างพอว่าคนเขานี่บดเบิ่งกลับมาเบิจจ่งจิตใจเจ้าของไม่ได้ตาเรยอว่าลืมหูลืมตาบังแนลืมบังแนลืมหูลืมตามันเราลืมไปมดัดลืมกายลืมใจของเจ้าของไปมดเพราะฉะนั้นเมื่อนั้นเมื่ อ, อไรเขาต้องมาเป็นกระจกเงามา่องเบิ่ง สองเบิงช the ีวิตจิตแก่องเขาเบิงนี่เบิงตัวสติต e, ัวป really ัญญานี่ยหนึคือตัวกระจกคัดออกไปนงียออกไปให้มันแจ้งให้มันใสสะอาดลองเบิงนี่ลองเบิงให้มาอยู่กับความหูสึกในปัจจุบันนี่ลองเบิงขันาหูสึกในปัจจุบันนี่อาล้มต่างๆยิงต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาไอ้ที่เพื่อนบอกว่านางฝึกนางทำสมาธิเห็นนั่นเห็นนี่เห็นสีเห็นแสงเห็นนรกเห็นสวรรค์อนันอ์นี่เห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธลูกมาเทพโวดนี่เทพปวดอันนั้นต์เพราะท่านควบขึ้น ความคุดมันปรุงมันแต่งไปนี่ไปมันเกิดรีปภาพเกิดนิมิตเกิดเป็นสีเป็นภาพเป็นนี่เป้นนี่นเขาเห็นเห็นเขาก็สําคัญมันหมายบรกวัตนั่นแหละคือเป็ mean, 95, hmm, things, นนิมิตเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงมาเทศโปดบังแสดงถ้าให้ฟังบังก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าของเขาเป็นกิเลวิญญาณเป็นดวงวิญญาณเป็นนี่เปนวงวนวิเวียนนี่ในมันสโลกนี่อยู่นี่ไปนี่ไปแนี่ยเพราะนี้ว่ท่านพ้นไปใส่นี่ไปใส่กันเป็นอยู่ลักษณะนั้น ทั้งๆทพ่พูดให้เจ้าว่าป่มไม่เกิดปุ่มีดับปุ่มไม่เกิดปุ่มไม่แก่แล้วเข้าไปถึงสู่อณูที่ปุ่ต้องอยู่แล้วมันปุ่มไม่เกิดมอัให้ไปถึงมองที่ปุ่มเกิดปุ่ดับแล้วนี่เพราะฉะนั้นมาสังเกตบางหยาดโยมเททำเป็นทำบุญบ้านเนะาะเขาเรียกว่าพระพระพุทธอร า, าพระพุทธวายพระ พ, พุทธแผนพระพุทธมัทธรมาฉันอาหารเลี้ยงพระ พ, พุทธขันโวเหตุเขเรียกว่าเอิญผลมานีมาแล้วอย่างที่ตั้อย่างไดดี่ยังใด ที่จริงเช้าุตเข้าจริงๆแล้วบกคนที่เหตุลักษณาบกคนที่งมงายลักษณะนั้นคำว่าเฮ็ุสามประเทศนี้ประเทศนี้เห็ุมานีมาอันนั่นแสดงว่าลักษณะของว่าการบวงสรวงการวอนอ่อนว้อนการบวงสรวงดวงวิญญาณเหมือนกับเท้าขาเขาหานามคนตหอแม่เมื่อคนายแล้วฮอหานามัยปอแม่กินเอาปอแม่เอ้ยกินข่าสเเดอร์นี่ซตเดอร์เหมือนกับเท้าไปดูเอ่อบวงสรวงดวงวิญญาณของคนนี่ของคนแน่ย พราะฉะนั้นชาวฟุตเท่าที่เป็นอยู่ลักษณะใดมีความเข้าใจลักษณะใดปีหนึ่งหลวงพ่เทียนเขาเจะเอานิมนต์ไปฉันเขาอาจารย์ขอเพ่งอยู่ในบ้านนี้ลุงเทียบยุวัฒนำในทั้งเทียบนะกับมีอาจารย์ทองหลวงพอทองอัตามาหลักไพศานอาตีห่าองค์หาองค์งพเกเจ็ดองค์ไหมหลวงพ่อไปทูดเลือเสียอย่งไรนี่แหละไปน้ากันนี่น้ากัน หลวงพ่อเขากล้าทอ่ตั้งนมามโมไหวพระไหวพระเขาก็สิไหวเขาก็สิอาราธนาพระปรลิต์ให้สวดมนต์ให้เจริญพุทธมนต์หลวงพ่อก็บอกว่าเอาละเมื่อนี้หลวงพ่อจะสวดผู้ดดเดียวบอกั่นว่าสวดให้ผู้เดียวนี่ผู้ดเดียวพวกนู่นี่นั่งฟังไหนนั่งฟังของพ่อสว ด, ดบอกท่านว่อ้าน ม, มนต์มาแล้วใต่อยใ่อยใครสวดํก า, ากันไหนหลวงพ่อบอกยากหลวงพ่อขังหลวงพอ่อคุมคล้องได้่านันนะเทศเทศเเทศเเทจบ สามสี่สิบนาทีเสร็จจบอ่าเป็นยังไงย่อมพอใจบ่ที่หลวงพ่อเบาดีก็พ ร, ร, ร, ระสวดบอสวดภาษาบาลีบ่รู้เรื่องแปลออกมากับบ่แปลออกมาแล้วเป็นภาษาไทยหลวงพ่อถอดคำภาษาไทยอ่าให้บ่้ฟังเนี่ฟังเรื่องชีดจิตแจกของคนนี่ของคนเรื่องกันทั้งบุญให้ท่านรักษาศีินกันยังต่างๆเ ก, กิออธิบายขยายพร้อมกันไปนี่กันไป ไปไปมาม่าบารนิย่าพี่น้องก็เจ้าเห็นแล้วโอ้หนาอัลโมธนาข้าเจ้าเลยกับนิมมนต์ไปเทศบ่ตรองสวดนิมมนต์ให้ไปเทศเทศไ้ฟังจบแล้วชันเข่าชันเข่าถวายทั้งกท่านแล้วก็เลิกกันไปนี่กันไปพออยัางพรอบ่ได้เอาเป็นมงคลไปเป็นสีมงคลเพราะเป็นสีมงคลของคนบ่ได้อยู่กับการสวดกันอ่าเอเขาว่าเอวังเทียนดับพระกับโยมก็มืดกันมา สวดสวดสจบแล้วเอยาทาสพีติเยอะแหละกับหาได้ของเหล็กกัไปหยาดย้งไปกินเหล่าเมายากันไปนี่กันไปสนุกสนานเรื่องชีวิตจิตใจเรื่องทับบุญในท่านเรื่องชีวิตจิตใจบวชหัวใจบวชหจยังทั้งมดบวชหัวใจลดบหัวจลดจักละอย่างทั้งมดทีทั้งมัดมันก็เป็นไปบ่อยแค่นี้เพิ่นบอกคนกลางรับษณนั้นเพราะฉะนั้นว่าชาวพุทธเขาจริงแล้วรู้สึกว่าเฮ็ดเจี่ยงไดเป็นลักษณะนั้นแม้แต่บางเชื่อแม้แต่พระเขาคุยกันเฮ็ดไปแล้วทำไปแล้วก็เยอ้อยมใส่ละเขาพระใส่ อพรนั้นเอาออกเนาะอันนั้นเอาออกพระใดอตอนมันลาพระพุทธแล้วเพราะฉะนั้นว่ามีคําภีเพลินกับมีคํำบาเด้ จ, จ, จดาจํำบารีคําว่าพ่อบได้สวายเพลินเชืเ่อเพราะฉะนั้นว่าพวกเขาเป็นชาพุทธจริงๆแล้วไม่เ ป, เป็นพุทธแท้ๆเลยให้เป็นท่องแท้จริงๆนี่จริงบอมันท่องปลอมการนักเทศยุทธ์นั้นแสดง ว, ว่าเขายังยังบารีลึกซึ้งในคําสอนของพระบารีเจ้าบารีลึกซึ้งในคําสอนคําต่คำของพระบารีเจ้า เท่งแต่รูปแบบประเภทนี้บางครั้งมาคณะสิ่งไหนสิ่งมันดีมันงามเขาก็เห็ดลํำลำลองไหวคงไหวแต่ส <código> ิ่งไหนที่มันทําให้คนงมงายก็เหตุลงไปดีลงไปไม่แต่ลงคอเช่นที่กันบางคนบอกว่าลงคอเช่นเลิกลงคอเช่นทำลายทำลายผลิตประเภทนี้พัฒนารมต่างๆอย่ต่างๆที่จริงแล้วเฟิรนโบแมนเพิ่์นอุปมาไว้ดีดีเยี่ยมดีเยี่ยมเลยเขาได้ยได้ยินเหมือนกัเขาว่าเหมือนกับเขาเปือกตั้งแ่่เขาเปือกเขาสาร เขาเปือกนี่คนเขากินอะไรแนนบอเขาสารคนกินอะไรที่กินได้มันมีน่ากินอยู่คือเป็ดคือไก่แต่คนเขาที่กินต้องกินเขาสุกเหมืนกันว่าแต่ว่าที่กินเขาเปือกกระถิ่นอะไรเพราะอย่างคนกินเขาเปือกต้องมีเขาสุกในกองเพราะฉะนั้นเอาไว้อยู่ลักษณะนั้นแหละเขาเปือกให้บุคคลหรือให้สิ่งไอ้แนวที่เขากินได้ดีกินได้ใครเขากินแต่เขาต้องเลือกครับเลือกกินเหมือนกันอันนี้ขึ้นกันนะชาพุตเท้าขึ้นกัน เช็ดังไงทำยังไหลักษณะใดเกิดขึ้นมาทํผิดเกิดมารู้สึกว่าบางครั้งมาคณะเขาหย่านเขาหยานหย่านสังคมหย่านวัฒนธรรมของเขานี่ของเขาหย่านเขาจะหยานหย่านแต่รูคิดอีกมุมนึงบอกว่าต้องการที่จะเข่าหายาหายย่อมเขาดึงหยาดดึงย่มเขามาให้ฟังคำมาแต่เบิงไปเบิ้งมาจักมันผูดเดึงผเออเอาเฮ็ดนันกบยอมเฮ็ดนันก็เฮ็ดไปงจะเอาหย่านย่อมเฮ็ดนันเฮ็ดนมูกนำมตวลงคอในนำหมวกนำมนผูกคอตอแขน ให้แน่นี่ให้แน่กับฝูกันไปนี่กันไปทํากันไปสรอเคาะสะรอสู้กับสรนไปดูทําหน้าแท้ทัตกระโดกกันไปนี่กันไปอวากันไปไปไปมาๆมันเลยขื้นอ่ะขึ้นกันขื้นรูปแบบตื้นคําสอนึกเ่ยขึ้นวัฒนธรรมที่ดีที่เข้าใจของเขานี่ยของเขาของชาวพุทธเขาไปมัดเพราะฉะนั้นว่าพวกเขาต้องคิดต้องไขว่คว้านบางคัดขัดว่าเข้าใจธรรมะของอคําสอนเขาพูดได้เจอแล้วเขาเข้าใจในขณะใด ลักษณะที่สอนออกจากอารมณ์สอนออกจากความที่ปูกันเครื่องพันธนาการอาตมาเคยบอกว่าพระพุทธเจ้าหนึ่งเคอยอดปฏิวัติทางด้านจิตชีวิตจิตใจของคน ม, งมันมีปุ๋ยอกจากพระพุทธเจ้าเมือเ่อเขาเฮติยูรักษาได้แล้วรู้สึกว่าโอ้ความส ง, งบสุขมันเกิดขึ้นมาความสเสมอภาคเสรีภาพทิงๆต่างๆนี้เกิดขึ้นมาหมดเ่าะต้องไปเรียกร้องอย่างทั้งหมดถ้าเขาเข้าใจหรอ แค่คันเ่าเขาใจก็ต้องเรียกร้องว่าเขาขีดกันขีดขวงขีดตีกันไปนี่กันไปสิทธิเสียสิทธิเสียริภาพนี่กันไปนี่กันไปที่จริงแล้วเขาปัจจะเรียกว่าถ้ำมาทิปไต่คันบางข้างบางคณะเอาประชาธิปไตยเหมือนกับเขาเย้ยวเยียวเ่ยนเสมอเนี่ยกันเลยมบนึ่งมบนึเกิดขึ้นมามบหนึ่งเกิดขึ้นมาเยี่ยเยีวเยี่ยเยี่ังันบ่เรื่องราคาดําตานบ่เรืราคาขึ้นห0ิพต่างเมื่อไหรนี่ต้อขึ้นสาบาทสี่บาทห้าบาทผู้บริโภคก็ไปกันไปเยี่ยวเยีกันไปนี่กันไป อันนั้นลักษณะของความเห็นแด้ว่าขันธ์ธรรมะทิปไตยแบบต่างคนต่างถอยที่ถอยอาศัยสิ่งกันและกันมีอยู่มีกินกันไปนี่กันไปทำกันไปนี่กันไปเสมอกันไปความเข้าใจเนียว่าทิฏฐิสามัญทิฏฐิเสมอกันเมื่อเป็นลักษณะนี้ความสงบสุขก็เกิดขึ้นมาต่างคนต่างมีความอืดอัดท่อนซึ่งกันกันไปนี่กันไปว่ามิคิดเบียดเบียนคิดอิจฉาลิสิยามันก็พวกเขาอยู่นี่ยบริคิดอิจฉาลิสิยาผู้ได้เนี่ยู่ได้ต่างคนต่างยกใหม่ยกมือโบยมานายกใหยกมือเฮ้ยผู้หนึ่งก็ไปเฮ็ดเฮ้ยผู้หน เล็งตาลิวตาไดบางนั่นพู้เดินโยกกมไปเดินโยกกมมาทนที่สิบบางทางเดินโยกกลมก็ไปสิงตาหน่อย